สามสิบสามเนื่องจากกรรมเก่าพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนมีโรคเรือรังอยู่อย่างหนึ่งซึ่งแพทย์ไม่สามารถชี้เหตุของโรคและรักษาให้หายขาดได้เพียงแต่ทุเหลาเท่านั้นไม่มีผู้ใดทราบว่าท่านเป็นมาเมื่อไรและโรคนี้เองที่เป็นวิบากขันทรมานท่านตลอดมาโดยเกิดเป็นแผลที่ก้นกบ ปากแผลกว้างยาวประมาณหนึ่งเซนติเมตรแผลนี้ถ้าเกิดการอักเสบขึ้นมาจะมีอาการบวมแดงรอบๆปากแผลจะคันอย่างรุนแรงหลวงปู่เล่าว่าแผลดังกล่าวนั้นเป็นผลมาจากอดีตกรรมของท่านเมื่อท่านยังเป็นเด็กแม่นําควายออกไปกินหญ้าในทุ่งน า, าเผอิญควายดือ้อต้อนไปทางหนึ่งกลับไปอีกทางหนึ่งเมื่อเหนื่อยเข้าหลวงปู่เกิดความโกรธ จึงใช้มีดสับเข้าไปที่กกหางของควายเมื่อทำให้ควายได้รับบาดเจ็บจนเลือดไหลเกิดความสงสารแต่ไม่ทราบว่าจะหายาอะไรมารักษาบาดแผลได้พอเอินควายถ่ายมูลออกมาหลวงปู่จึงเอามูลมาทาบาดแผลให้มันปรากฏว่าแผลหายได้ภายในเจ็ดวันฉะนั้นหลวงปู่จึงเรียกแผลที่ก้นกบท่านว่าเป็นแผลที่เนื่องมาจากกรรมเก่า แต่ท่านไม่ได้เรียกว่าก้นกบเหมือนคนทั่วไปท่านเรียกว่าหางสุดเพราะเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่ท่านฟั่นโกกหางควายตัวนั้นเมื่อสมัยยังเป็นเด็กนอกจากนี้ท่านยังเป็นต้อกระจกที่ในตาซ้ายและเป็นต้อหินที่ในตาขวาแต่ท่านไม่ยอมรักษาตัวในโรงพยาบาลจึงทำให้การรักษาพยาบาลเป็นไปด้วยความลาบากยิ่ง เพื่อเป็นการสนองตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกอบกับที่วัดดอยแม่ปังมีส่วนช่วยในการหาทุนสร้างศึกสุจินโนภายในคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทย์ศาสตร์จึงส่งแพทย์มาตรวจรักษาหลวงปู่ที่วัดเป็นประจำถ้านในกรณีที่หลวงปู่อาภาษหนะักทางคณะแพทย์จะนําวิทยุรับส่งมาติดตั้งทั้งนี้เพื่อรายงานผลการรักษา ให้ทางสำนักพระราชวังทราบทุกระยะเพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลฝ่าละอองธุรีพระบาทให้ทรงทราบทุกระยะจนกว่าจะหายเป็นปกติเริ่มอาพาธในปีพุทธศักราช2520วันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2520เวลา3นาฬิกาขณะที่พระคุณท่านกราบพระมีอาการหน้ามืด เมื่อลุกจากที่นั่งทำให้เสียการทรงตัวเซไปแล้วล้มลงผลจากการล้มครั้งนั้นทำให้เกิดรอยช้ำที่แขนและไหล่ซ้ายเป็นผลให้สุขภาพของท่านทรุดลงเรื่อยมาตอนเย็นของวันที่24กรกฎาคมท่านเกิดอาการท้องร่วงอย่างแรงมีไข้ร่างกายอ่อนเพลียหลังจากนั้นเป็นต้นมาแม้ว่าแพทย์จะทำการรักษาอย่างดีก็ตาม แต่หลวงปู่ก็ยังมีอาการอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าจะไม่มีอาการของโรคไตไตปรากฏก็ตามจนกระทั่งเมื่อวันที่7ตุลาคม2520เวลา16นาฬิกา40นาทีท่านล้มลงขณะที่ลุกขึ้นจะไปห้องน้ำสีข้างด้านซ้ายไปถูกกับโคมตะเกียงน้ำมันกัดทำให้มีรอยแผลถลอกของผิวหนังและรอยช้ำของผิวหนังด้านซ้ายแขนด้านซ้ายได้รับบาดเจ็บ ทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนตามมาคือปัสสาวะไม่ออกถายอุจจาระลาบากคณะแพทย์ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับท่านพระอาจารนยน์ูสุจิโตที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าจะต้องดูแลรักษาหลวงปู่อย่างใกล้ชิดภายในที่อยู่ของท่านเองเนื่องจากไม่อาจจะนิมนต์ให้หลวงปู่ไปพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้ หลวงปู่มีความประสงค์จะรักษาตัวอยู่เฉพาะแต่ในที่อยู่ของท่านเองซึ่งท่านพระอาจารย์หนูกก็ต้องการให้เป็นไปตามความประสงค์ของหลวงปู่ทุกประการขณะที่หลวงปู่อ า, าพาธอยู่นั้นท่านมักจะสงบจิตเข้าอยู่ภายในเกือบตลอดวันตลอดคืนดูอาการภายนอกของท่านจึงดูเหมือนว่าจะหมดหวังเอาทีเดียวบางครั้งท่านไม่ยอมพูดไม่ยอมฉันเลยเป็นเวลาหลายวัน ถึงเวลาฉันอาหารฉันยาฉันน้ำปลุกท่านขึ้นมาท่านลุกขึ้นนั่งแต่จิตท่านยังอยู่ในความสงบเวลาป้อนอาหารใส่ปากอาหารก็ค้างอยู่ในปากเช่นนั้นเองเพราะท่านไม่เคี้ยวเอาน้ำให้ดื่มเอายาให้ฉันก็เหมือนกันตาของท่านดืมค้างอยู่ไม่กระพริบดูเหมือนไม่มีชีวิตชีวาทั้งนี้เพราะท่านยังไม่ถอนจิตออกจากความสงบภายในออกมารับอารมณ์ภายนอก จนกระทั่งวันที่26กุมภาพันธ์2522ทางวัดจัดให้มีงานผูกพระฤาีมาเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระสังฆราชซึ่งทางวัดได้กราบทูนารัตนาให้เสด็จมาในงานและเสด็จมาเยี่ยมหลวงปู่ขณะที่หลวงปู่ยืนคล้องผ้าอยู่โดยมีพระอาจารย์หนูและพระผู้อุปถัมภ์คอยช่วยเหลือเมื่อห่มเสร็จแล้วเอียวตัวจะเดินก้าวขาออกไป เผอิญขาที่ก้าวไปนั้นไปเหยียบชายจีวรทําให้เสียการทรงตัวล้มลงสุดวิสัยที่พระผู้อุปถักต์และผู้อื่นจะรับไว้ได้ทันจากการล้มครั้งนี้ทําให้มีการเจ็บซี่โครงเจ็บบั้นเอวเจ็บกระดูกสันหลังลุกขึ้นไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่นอนสมเด็จพระสังฆราชต้องเสด็จเข้าเยี่ยมอาการหลวงปู่ในที่อยู่ของท่านพระองค์ประทับนั่งซักถามอาการหลวงปู่ และรับสั่งสนทนาการพอสมควรแก่เวลาจึงเสด็จกลับตอนบ่ายภายหลังจากพิธีตัดลูกนิมิตแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเยี่ยมหลวงปู่พระองค์มีพระราชดำรัสถามอาการจากหลวงปู่และได้ทรงสนทนาธรรมกับหลวงปู่โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรร่วมอยู่ด้วยพอสมควรแก่เวลาแล้วจึงเสด็จกลับ ผลจากการล้มครั้งนี้ลุกขึ้นยืนตัวตรงเช่นธรรมดาไม่ได้เพราะเจ็บซี่โครงและเจ็บกระดูกสันหลังดังนั้นเวลาลุกนั่งเวลาชันและเวลาทำสรีระกิจแพทย์ต้องให้ใสเ่เผือกไว้ตลอดเวลายกเว้นเวลานอนผลการตรวจของแพทย์ทางเอ็กซเรย์ไม่พบความผิดปกติทางด้านกระดูกดังนั้นการรักษาของแพทย์นอกจากจะรักษาทางยาแล้ว ยังรักษาด้วยการจี้ด้วยเครื่องไฟฟ้าการรักษาด้วยสรีระบำบัดคือให้หัดเดินในบาเมื่อเวลาพอลุกได้ให้นั่งรถเข็นเพื่อเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถหลวงปู่อาพานครั้งนี้รักษาอยู่ประมาณหนึ่งเดือนจึงหายเป็นปกติพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนนับเป็นพระอริยสาวกที่สืบทอดพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อายุอย่างน้อยจนตราบสิ้นอายุข ท่านเป็นพระที่กรอบด้วยองคุณของพระสงฆ์คือสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมปามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบนอกจากนี้ยังมีจริวัตที่งดงามมีความสง่าผาเผยการแสดงหรือปารลบธรรมของท่านมีความไพเราะ อ, อ่อนโยนนุ่มนวลนละมุน ล, ละไม รำโมวาดของท่านประเสริฐเลิอ ด, ด้วยเมตตาธรรมแสดงถึงข้อปฏิบัติทางด้านจิตใจที่สูงส่งมักเป็นคำสอนสั้นๆกินความหมายลึกซึง้งกอบด้วยคุณประโยชน์ซึ่งท่านได้รับได้รู้ได้เห็นจากการประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านซึ่งชี้ทางให้ผู้ปฏิบัติประคองชีวิตโดยยึดหลักสัจธรรมต้องกับการรสมัยและสภาพของสังคมในปัจจุบันยอดแห่งธรรมะของท่านอยู่ที่การเสียสละสละทั้งนอกทั้งใน สละทั้งวัตถุสิ่งของเท่าที่เจริญปฏิบัติได้การสละที่ลึกซึ้งอีกระดับหนึ่งคือการสละทางความรู้สึกสละอารมณ์ที่ยึดติดในจิตใจอันเป็นการสละที่ทําได้ยากยิ่งเช่นสละความโลภโกรธหลงความเกลียดอันจะเห็นได้จากเสนาสถานของพระคุณท่านซึ่งไม่มีสมณบริขารที่เป็นส่วนเกินของภิกษุอยู่เลยนับว่าท่านเป็นพระอรหันต์ที่บริสุทธิ์หมดจด ตลอดระยะเวลายาวนานกว่า78ปีที่ท่านอยู่ในสมณเพศนับแต่ปีพุทธศักราช2451เป็นต้นมายังคุณประโยชน์ใหญ่หลวงแก่เรามนุษยชาติตรงตามปณิธานของท่านที่จะคงอยู่ในสมณเพศตราบจนสิ้นอายุไขยดังสัญญาที่ได้ให้ไว้แก่โยมมานดาทั้งนี้เพราะท่านตระหนักดีว่าอันความปรารถนาสูงสุดของมารดานั้นคือการมีบุตรผู้ทรงคุณธรรม สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาเรื่มใสพระคุณท่านจะเห็นพ้องต้องกันว่าเมื่อบุคคลใดได้มานะพยายามเดินทางเข้าไปจนถึงวัดดอยแม่ปังนอกจากความประสงค์ที่จะได้กราบนบศัสการหลวงปู่แล้วส่วนใหญ่ก็ปรารถนาที่จะได้ฝังธรรมอันเป็นโอวาทานุศาสนีจากท่านซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มพูนศรัทธาและความวิริยะอุตสหาหะในการปฏิบัติให้เป็นทวีคูณ ทำคำสั่งสอนของท่านย้ำความสำคัญของการปฏิบัติภาวนากรรมฐานว่าเป็นผลทางเดียวที่จะพาให้เกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องตามคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาท่านมิให้ละเลยหรือประมาทในคุณค่าของความเพียรปฏิบัติแม้เพียงเล็กน้อยคำสอนของท่านบางครั้งเป็นใจความสั้นๆเพียงพอที่จะเป็นอุทาหรณ์แก่ผู้ฟังเพราะจุดหมายของการปฏิบัติต้องเป็นไปเพื่อปัจจตตัง คือได้เห็นจริงรู้จริงด้วยตนเองธรรมโอวาทของท่านจึงสามารถนำผู้ปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเวลาท่านให้อวาสแก่สิจานุสิต ท, ที่ไปน้ำมัสการถ้ากล่าวถึงศีลท่านจะกล่าวย้ำลงไปที่กายคือขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่แหละคือศีลห้า่าจะรักษาศีลก็ให้รักษาที่นี่คือสิ่งทั้งห้าที่เราสมมติเรียกกันตามภาษาโลกว่าตัวเรานี้ ถ้าเรารักษาตัวเราให้อยู่เป็นปกติไม่ให้ละเมิดสิทธิในชีวิตของผู้อื่นสัตว์อื่นไม่ไปละเมิดในทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ล่วงละเมิดในภรรยาสามีและหญิงชายที่ต้องห้ามไม่กล่าววาจาทําให้ผู้อื่นเสียหายโดยเจตนาอันเป็นคําเพจไม่ดื่มน้ําเมาอันเป็นมูลเหตุแห่งความประมาทถ้ารักษาตัวเราให้อยู่ในขอบเขตอย่างนี้หลวงปู่ท่านเรียกว่ารักษาศีลศีลในทัศนะของหลวงปู่ไม่จําเป็นต้องไปขอจากใคร ต้องทำต้องงดเว้นให้เกิดให้มีขึ้นในตนของตนจึงจะเป็นศีลที่สมบูรณ์ศีลที่ไปขอจากผู้อื่นหลวงปู่ท่านเรียกว่าศีลขอศีลยากศีลจนไม่ใช่ศีลมั่งมีสีสุขท่านสอนให้รู้ถึงอริยสัจสีคือทุกข์สมุ ท, ทยัยนิโรธมักหลวงปู่ได้เน้นถึงสมุ ท, ทยัยเหตุที่เกิดทุกข์ท่านได้กล่าวว่าตัณหามักจะเกิดในปัจจุบัน เกิดขึ้นทางวาจาเกิดขึ้นทางกายเกิดขึ้นทางใจสังขารกับสมุทัยนี้เป็นอันเดียวกันเวลากําหนดจิตเข้าไปจึงจะเห็นนึกถึงสภาพคนนั้นคนนี้จะนอนไม่หลับทุกข์ก็เกิดขึ้นตรงนี้สมุทัยก็เกิดขึ้นตรงนี้เหมือนกันนิโรธความดับทุกข์ก็เกิดอยู่ที่นี่เหมือนกันเกิดอยู่ที่นี่ทั้งหมดไม่ได้เกิดจากที่อื่นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วพิจารณาให้รู้แจ้งตั้งอยู่ในศีน ตั้งอยู่ในธรรมศีลก็คือการนำความชั่ว อ, ออกจากกายจากใจของตนศีล น, นำความผิดออกจากกายวาจาใจของตนเป็นที่ตั้งของมรรคเป็นหนทางที่จะทําให้ความทุกข์ทั้งหลายสิ้นสุดลงไปกล่าวได้ว่าท่านสอนให้รู้เหตุของทุกข์และทางดับทุกข์ทั้งหลายนั้นปวงในด้านธรรมะปฏิบัติเกี่ยวกับสมาธิภาวนา หลวงปู่จะแนะนำให้เอาพุโทโธเป็นอารมณ์ของจิตไปก่อนเมื่อบริกรรมพุโทโธจนจิตเป็นสมาธิแล้วให้วางพุโทโธแล้วกำหนดผู้รู้คือจิตเมื่อพักอยู่ในความสงบพอสมควรแล้วให้ถอนจิตขึ้นมากำหนดพิจารณากายเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนพิจารณาอยู่จุดเดียวจนเกิดความชำนิชำนานแล้วจึงขยายต่อไปสู่ส่วนอื่นจนทั่วทุกส่วนของร่างกาย เบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ําตั้งแต่ปลายผมลงมาพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจให้หมดสงสัยทั้งกายตนกายผู้อื่นทั้งหญิงทั้งชายพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงในไตรลับอย่าให้จิตส่งออกภายนอกกายเอากายนี้เป็นเป้าหมายในการพิจารณาเอากายนี้เป็นมรตเอากายนี้เป็นผลถ้าผู้ปฏิบัติส่งจิตออกรู้ภายนอกจากกายนี้ เป็นการปฏิบัติที่ผิดทางการเจริญภาวนาโดยยึดเอาอายตนะภายในหกอย่างมาเป็นอารมณ์เพื่อทําให้ใจสงบหลวงปู่สอนให้รู้ว่าการพิจารณาต้องน้อมนําเข้ามาสู่ภายในพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็จะวางเองหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้กล่าวว่าเอิดก็ของเก่านี่แหละแต่ไม่รู้ว่าของเก่าของเก่านี้ได้แก่ ขาแขนตาหูจมูกคลิ้นกายเมื่อเวลาปฏิบัติภาวนาก็ให้พิจารณาอันนี้แหละให้รู้แจ้งภายในจึงจะไปนิพพานได้นักปฏิบัติต้องพิจารณาตรงที่ขนเล็บฟันหนังเนื้อให้พิจารณากายพิจารณาใจให้เห็นให้เกิดความเบื่อหน่ายผู้ปฏิบัติต้องน้อมเข้าหาสมมุติให้เกิดเป็นวิมุตติพิจารณาให้รู้แจ้งสมมุติให้เกิดเป็นวิมุตติ พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้อันนี้หลวงปู่ท่านได้สอนให้เรารู้ถึงของเก่าซึ่งไม่จีรังยั่งยืนจะต้องผุเน่าเปื่อยไปในที่สุดหลวงปู่เน้นคำสอนของท่านโดยกล่าวว่าในพระบุทธศาสนาพระอุปชาไม่ว่าใครเวลาให้บวชชาอุปสมบทแก่กุลบุตรต้องสอนกรรมฐาน5าคือยกเกาโลมาณขาทันตาตะโขขึ้นสอน คือบอกให้กุลบุตรผู้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังสิ่งที่มีอยู่ในตนนี้แหละเป็นมูลกรรมฐานเป็นตัวกรรมฐานคนเราเกิดความรักความช่างก็เพราะกายนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพิจารณากายนี้ให้เข้าใจหลวงปู่ท่านย้ำบ่อยๆว่าคนเรานั้นมารักมาหลงมาติดมาเห็นว่าสวย มาเห็นว่างามจนเกิดชันทราคะนั้นเห็นอยู่ที่ผิวหนังเท่านั้นถ้าลอกผิวหนังออกลองพิจารณาใคร้ครวญดูสิ่งที่เรารักเราหลงสิ่งที่เราเห็นกันว่าสวยว่างามนั้นมันอยู่ตรงไหนลอกส่วนที่มันปกปิดความจริงซึ่งมีเพียงนิดเดียวแต่ปัญญาเรามองผ่านทลุเข้าไปไม่ได้ส่วนใหญ่ที่เหลือเป็นอย่างไรน่ารักไหมน่าหลงไหมสวยงามไหม ให้เปล่าๆเอาไหมแถมกระดาษราคาเท่านั้นเท่านี้ให้อีกเอาไหมถึงกับจ้างแล้วยังไม่มีใครเอาก็แสดงว่ามันไม่ใช่ของที่น่ารักน่าหลงของสวยของงามอย่างที่เราเข้าใจถ้าความจริงเป็นความจริงใครล่ะจะปฏิเสธหลวงปู่ได้ยกเอาความอดกลั้นเป็นบารมีธรรมโดยอาศัยความเพียรละกายทุจริตละวจีทุจริตละมนโนทุจริตเอาอายตนะภายใน คือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องกั้นโดยตั้งความสัตย์ให้จริงกายจริงวาจาจริงใจอดทนทนังกายอดทนทั้งวาจาอดทนทั้งใจละบาปทางกายละบาปทางวาจาละบาปทางใจให้หมดไปแล้วก็จะเป็นสุขใจตั้งอยู่ในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รักษากรรมบทศีลรักษากาย วาา่าใจให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าศีลแปดรักษาตาหูจมูกลิ้นกายให้หมดจดกามตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหาเปรียบเสมือนแม่น้ำไหลลงสู่ทะเลไม่มีที่เต็มชันใดก็ดีกามตัญหาที่ไม่พอดีก็ดีภะวตัญหาวิภวะตัญห า, า, ญหาเป็นแหล่งก่อให้เกิดทุกข์ขอความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุด จนทาตุหาขันห้าแตกดับนั่นแหละจึงจะหลุดพ้นจากตันหาเหล่านี้ท่านได้สั่งสอนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลอดีตที่ล่วงมาแล้วอย่าไปคำนึงมาเป็นอารมณ์อดีตอนาคตต้องตัดให้หมดอัตตาหิอัตตโนนาโธแปลว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเองให้ตั้งอยู่ในไตรสาระคมตลอดชีวิตจึงจะหลุดพ้นจากตันหาทั้งปวงหลวงปู่จะย้ำแก่ศิท์ว่า อดีตเป็นธรรมเมาอนาคตเป็นธรรมเมาปัจจุบันเป็นธรรมโมอดีตเป็นสิ่งที่ ล, ว ล, ววลว่วงไปแล้วผ่านไปแล้วดีชั่วก็ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วถ้ามัวคำานึงอยู่เป็นธรรมเมาคือมัวเมากับสิ่งที่มันผ่านเราไปแล้วสิ่งใดที่ผ่านไปแล้วไม่สามารถเอากลับคืนมาได้อนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดยังมาไม่ถึงยังไม่เกิดยังไม่มี ถ้ามัวไปคำนึงถึงอยู่ก็เป็นทำเมาคือมัวเมาอยู่ในสิ่งที่มันยังไม่เป็นความจริงเปรียบด้วยความฝันเท่านั้นการทั้งสองเป็นการกระทมที่เสียเวลาไปเปล่าปัจจุบันเป็นทาโมเพราะสิ่งต่างๆที่เราเห็นเราเกี่ยวข้องสัมผัสอยู่นั้นมันเกิดมันมีอยู่ในปัจจุบันเราจะละความชั่วก็ต้องละในปัจจุบันสร้างความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนก็ต้องสร้างในปัจจุบันดังนั้น ปัจจุบันจึงเป็นธรรมโมหลวงปู่ท่านสอนว่าทุกคนที่เกิดมาย่อมมีคนสารเสรินคนนินทาเมื่อเขาว่าเราเราก็อย่าไปรับเอามาเก็บไว้ในใจปล่อยให้ผ่านไปเสียกายของเราก็ปกติดีอยู่แล้วจะต้องไปเดือดร้อนทำไมเรารู้อยู่แล้วว่ากิเลสมันไม่ดีตัวเราเองก็ไม่ดีมีความรักมีความชังมีความโลภความโกรธ ความลงเกิดขึ้นก็เพราะตัวกิเลสนั่นแหละต้องตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมตั้งอยู่ในการบำเพ็ญกุศลละบาปทางกายทางวาจาทางใจบาปอันใดที่ยังอยู่ละเสียให้หมดวางเสียให้หมดก็จะสบายการบวชเป็นพระเป็นเนนก็ตามอุปชาท่านก็ชี้สอนเข้ามาหากายคือผมขนเล็บฟันหนังนี้เป็นฐานที่ตั้งของกรรม กรรมพามุนอยู่นั่นแหละของดีก็อยู่นี่แหละดีใจเสียใจนินทาสนเสริญทุกข์สุขสมมุติวิมุตติก็เกิดในนี้เวลาภาวนานั่งไปนานๆทุกข์ก็เกิดขึ้นเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวง่วงเหงาเหานอนก็เกิดอยู่ที่นี่กายทุจริตวจีทุจริตใจทุจริตนาออกให้หมดแล้วรักษากายสุจริตวาจาสุจริต ใจสุจริตไว้เมื่อนําทุจริตออกหมดแล้วคงเหลือแต่สุจริตธรรมตั้งอยู่ในศีลกายก็เป็นศีลวาจาก็เป็นศีลเป็นธรรมเป็นมรรคเป็นผลตั้งขึ้นในจิตใจละวางทุจริตสุจริตธรรมตั้งอยู่แล้วจิตใจก็เบาสบายอดีตที่ล่วงมาแล้วหลายปีหลายเดือนยังเก็บมาไว้ในใจมันก็จะเดือดร้อนต้องเอาออกให้หมด หลวงปู่ท่านว่าต้องอาศัยความหมั่นเพียรพบทางแล้วจึงนำออกได้นำออกจากจิตจากใจนี้ตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้เป็นเหตุรูปรสกลิ่นเสียงพุทธพะเกิดขึ้นถ้าพอใจก็ดีถ้าไม่พอใจก็ชางเขาเปลี่ยดเขาเมื่อเวลาเกิดขึ้นหลวงปู่ท่านให้นำออกเสียจากโคปฏินิสาโคสละคืนถอนออกจากใจนี้เสีย เรื่องของกามนี้หลวงปู่ได้ยกเอากามตัฏหามาแสดงชี้ให้เห็นว่ากามกิเลตเป็นบ่อกเกิดแห่งการฆ่ากันตายชิงดีชิงเด่นกิเลตตัวเดียวทําให้เกิดการต่อสู้แย่งชิงกันความรักความชังก็จะบังเกิดขึ้นในจิตใจเพราะกามท่านได้สอนให้พิจารณาถึงสังขารร่างกายพิจารณาเข้าไปถึงผมขนเล็บฟันหนังตาจัปัญจากะกรรมฐานห้า กายคตากรรมาฐานเป็นฐานที่ตั้งของกามทุกมันก็เกิดอยู่ที่นี่สตมูไทยก็เกิดอยู่ที่นี่น้อมเข้าขันทั้งห้าธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟพิจรารณากำหนดเข้าไปแล้วจะเห็นว่ากามนั้นเป็นของไม่อัศจรรอย่าหลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทำใจให้บริสุทธิ์ทำกายให้บริสุทธิ์ ให้ถึงถีติภูตังนั่นแหละกามาตังหาก็จะหมดไปในด้านปัญญาหลวงปู่จะสอนผู้ที่ดำเนินมรรคปัญญาว่าทำทั้งหลายไหลามาจากเหตุใหกาหนดเหตุรู้เท่าทันเหตุเหตุดับลงจิตก็เป็นพุทโธเพราะละเพราะวางเพราะถอดเพราะถอนเหตุแห่งทำได้แล้วเหตุแห่งทำดับลงแล้วจิตจึงเป็นพุทโธก็สบายเท่านั้น ผู้นั้นก็มีพุโทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจใจเป็นพุโทโธใจเป็นธัมโมใจเป็นสังโฆก็สบายเท่านั้นนั่นแหละคือที่สุดของวิบากกรรมนั่นแหละคือที่สุดของวัตตะ